68วิธีดูพัฒนาการของตัวเองวงเล็บเปิด12มีนาคม2552ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิดหลายคนเรียนนานเรียนบ่อยๆดีขึ้นบ้างไหมต้องวัดตัวเองบ้างนะหลายๆเดือน3เดือนสี่เดือนมีอะไรเปลี่ยนแปลงให้ดูได้บ้างให้ชื่นอกชื่นใจได้บ้างถ้าภาวนาแล้วก็แปลกๆอยู่ที่เดิมก็ไม่ได้เรื่องนะภาวนาแล้วต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างน้อยกิเลสเกิดต้องรู้ทัน รู้ทันมากขึ้นมากขึ้นเดินอยู่ในร่องรอยที่ถูกต้องสติที่แท้จริงเคยเกิดขึ้นเองไหมถ้าสติยังบังคับให้เกิดยังใช้ไม่ได้แล้วก็ระลึกรู้กายระลึกรู้ใจได้บ่อยๆไหมหรือว่าลืมไปนานรู้ได้บ่อยขึ้นไหมรู้ด้วยความเป็นกลางได้มากขึ้นไหมนี่เราลองวัดตัวเองไปใจเราอยู่ห่างโลกมากขึ้นไหมแต่ห่างแบบประคองเอาไว้ให้ห่างๆก็ใช้ไม่ได้นะต้องเป็นธรรมชาติเป็นธรรมดา ใจเราเข้าใกล้ความเป็นธรรมดามากขึ้นไหมแทรกแสงน้อยลงไหมรู้ ซ, ซื่อหรือเปล่าลองวัดตัวเองสำรวจตัวเองเรื่อยๆบางคนภาวนาก็มีพัฒนาการดูสดใสซ า, าบซ่าบางทีพัฒนาไปช่วงหนึ่งแล้วก็หยุดแบบนี้ก็มีนะไม่ใช่พัฒนาแล้วจะพัฒนาตลอดฉะนั้นเวลาเดินบางทีมันก็เดินเดินหยุดหยุดทุกคนแหละแต่อย่าหยุดนานหยุดได้ไหมได้อย่างไรก็ต้องหยุดมันไม่ดีรวดเดียวตลอดหรอก บางทีภาวนาไปมันก็ย่าแย่ลงมาเสื่อมเสื่อมลงมาก็ให้รู้ทันด้วยความเป็นกลางอยู่ที่เป็นกลางนี่แหละมันเสื่อมรู้ว่าเสื่อมรู้ด้วยความเป็นกลางถือว่ามีพัฒนาการแล้วถ้าเสื่อมแล้วดิ้นคลุกคลักลุกคลั ก, ลกนี่พวกด้อยพัฒนาฉะนั้นใจเราจะค่อยๆเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างนี่สติปัญญามันแก่รอบขึ้นสว่างแจ่มใสก็รู้ทันเมือม่อโมวแล้วหลงยินร้ายก็รู้ทันนี่ก็ดีนะเป็นกลาง ฉะนั้นเราคอยรู้ของเราด้วยความเป็นกลางเรื่อยๆไปไม่ยากอะไรหรอกง่ายนะคอยสังเกตใจของเราไปใจมันจะดิ้นใจมันจะหิวตลอดเวลารู้สึกไหมใจหิวหิวข้าวยังหิวเป็นครั้งคราวเวลาอิ่มเราก็ไม่หิวข้าวแต่หิวของใจนะใจมันหิวตลอดวันเดี๋ยวอยากโน้นเดี๋ยวอยากนี้เรื่อยๆ